ตอนที่สี่สามช่างไรเหตุผลสิ้นดีจวนกัวกงจะโกรธเคืองก็ไม่ใช่เรื่องแปลกแต่ถึงขั้นนี้ก็นับว่าเกินกว่าเหตุไปหน่อยนั่นสิคุณหนูชิงจียังเคยรินน้ำชาขอขามาเหล่ากวงกับผู้หญินเข้าต่อหน้าผู้คนในหอทิงสเสวียมาแล้วนะเรื่องอาหารยานั่นนางยังลงมือตบหน้าตัวเองจนเป็นแบบนี้แม่นางที่อยู่ในวัยแรกแย้ําดังบุปผากลับลงมือกับตัวเองได้รุนแรงถึงเพียงนี้เชียวจวนกัวกงต่อให้จะมีโทสเพียงใดก็ควรจะหายโกรธได้แล้ว ใช่หากยังไม่ยอมยกโทษให้เขาอีกก็ดูจะใจดําเกินไปจริงๆดีเหลือเกินเทียงพริุตาเดียวจนกัวกงที่เป็นผู้เสียหายกลับกลายเป็นฝ่ายผิดไปเสียได้เย่เยาจ้องมองเซี่ยชิงจือพลางกัดฟันกรอดรอยยิ้มที่แสดงถึงความสนใจปรากฏขึ้นบนใบหน้าที่ทั้งแดงทั้งดําของนางมันดูชั่วร้ายและเยินเยียบยิ่งขับให้ดูน่าเกลียดน่ากลัวยิ่งขึ้นในขณะที่เย่เยาเกิดจะทนไม่ไหวจนอยากจะตบสั่งสอนนางสากาักฉาดเหล่าองคารักษก็ก้าวเข้ามาหามนางขึ้นแล้วแบกเข้าไปในประตูจวนกัวกงทันที ท่านหมอหลี่สพายกล่องยามาถึงพอดีจึงตามเข้าไปด้วยพี่สพายหันกลับมาเห็นเย่เยะอยืนอยู่ที่เดิมนา่งกัดฟันกำหมัดแน่นจนตัวสันเทิมเห็นได้ชัดว่ากำลังโกรธจัดเมื่อครู่ตอนที่เซี่ยชิงจือพูดกับเย่เยานางจงใจลดเสียงลงพี่สพายที่กำลังจัดการคนอยู่จึงไม่ได้ยินแต่ในใจนางย่อมรู้ดีต้องเป็นเซี่ยชิงจือที่พูดจาบางอย่างยั่วยุจนทาให้เย่ยโกรธแค้นถึงเพียงนี้ ยามนี้หนะ้าประตูเต็มไปด้วยชาวบ้านที่มามุงดูพี่สะพายจึงดึงตัวเย่เยา ม, มากอดไหลพลางก้าวยาวๆเข้าไปในประตูใหญ่แล้วกระซิบกำชับข้างหูไม่เป็นไรมีพี่สะพายอยู่ต่อให้พี่สะพายแก้ปัญหาไม่ได้ก็ยังมีพี่ชายของเจ้าและท่านพ่อเย่เยายิ้มตอบเพื่อให้นางสบายใจแต่กลับไม่สามารถเอ่ยปากพูดได้จุดประสงค์ของเซี่ยชิงจือบรรลุผลแล้วนางก็แค่ต้องการปิดปากเย่เยาตอนนี้เย่เยาไม่มีหลักฐานหากพูดความลับของนางออกไปย่อมเป็นการหาเรื่องใส่ตัวโดยแท้ เสี้ยชิงจือไม่ใช่กระต่ายขาวที่ใส่ซื่อบริสุทิ์เช่นนั้นการที่นางทําร้ายท่านย่าถึงสองครั้งจะเป็นความไม่ตั้งใจจริงหรือไม่คงต้องสืบให้แน่ชัดความแค้นมหาศาลที่นางมีต่อจวนกัวกงนั้นมาจากที่ใดกันแน่นี่คือจุดสําคัญข่าวแพร่กระจายไปทั่วเมืองหลวงอย่างรวดเร็วและไปถึงจวนสิ้นอองเช่นกันในขณะที่สิ้นอองหวังเฟยและหลิงเซินพาหมอหลวงรีบรุดมาถึงท่านหมอหลี่ก็เพิ่งจะขับพิธีเสี้ยชิงจือเสร็จพอดีเขาถอนหายใจออกมาอย่างโล่งอก พ่ส่วนใหญ่ในร่างกายของคุณหนูชิงจือถูกขับออกมาแล้วชั่วคราวนี้คงไม่มีอันตรายถึงชีวิตพี่สัยรีตถามต่อแล้วนางจะฟื้นเมื่อไหร่ท่านหมอหลีขมวดคิ้วปริมาณยาที่นางกินเข้าไปหนักกว่าของหูหญินเท่าอีกทั้งยังผสมกับลูกประคำหอมประหลาดจากซีวีอย่างไรก็ต้องพักฟื้นสักสองสามวันพี่สไปยเข้าใจแล้วจึงพยักหน้าอย่างโล่งใจทันใดนั้นครอบครัวสามคนของหลิงเซินและหมอหลวงก็บุกเข้ามา ยังไม่ทันเห็นตัวก็ได้ยินเสียงตะโกนด่าทออย่างเกลียกราดมตามนิสัยมุทะลุของสิ้นอ๋องจนกัวกงพวกเจ้ามันจะเกินไปแล้วชิงจือของเราไม่ได้ทำผิดกัสวรรค์เสียนหน่อยถึงกับต้องบีบคั้นให้นางกินยาพิษเพื่อขอขามาเชียวหรือตามมาด้วยเสียงร้องให้คร่ำครวญอย่างโศกเศร้าของหวางเฟยที่โผล่เข้าไปที่ข้างเตียงชิงจื้อทำไมเจ้าถึ ง, งโง่แบบนี้เจ้าก็ขอโทษไปแล้วทั้งคุกเข่าทั้งตบหน้าตัวเองจนเป็นแบบนี้ทําไมเจ้ายังคิดส้นอีก หากเจ้าเป็นอะไรไปข้าข้าจะไปทูลฟ้องฝ่าบาท ด, ด้วยตัวเองเห็นได้ชัดว่าคําพูดของหวางเฟยนั้นพุ่งเป้ามาที่คนตระกูลเย่ยโดยตรงในห้องตกอยู่ในความเงียบเงันที่สะพายและเย่เยาต่างมีสีหน้าเย็นชาและนิ่งเงียบหลิงเซินมองไปที่เย่เยาทำท่าเหมือนอยากจะพูดอะไรบางอย่างแต่ก็หยุดไว้เขาเกรงว่าหากเอ่ยปากออกไปจะกลายเป็นการปกป้องเสี่ยชิงจืออีกและจะทำให้เย่เยาโกรธยิ่งกว่าเดิมเช่นนั้นก็ไปเข้าเฝ้าฝ่าบาทพร้อมกันเลยเถิด เสียงของเ ย, ย่อุเสียดังมาจากทางประตูเย่ยหัวเดินตามหลังเขาเข้ามาเช่นกันเย่ย์เย่าเพิ่งจะอ้าปากแต่บิดาก็ชิงพูดก่อนเย่เยาไม่ต้องกลัวมีพ่ออยู่ตรงนี้ใครก็อย่าหวังจะสาดน้ําสกปรกใส่เจ้าและจวนกัวกลมของเราได้พี่ชายเสริมน้องหญิงเจ้าเพิ่งหายป่วยหนักไปพักผ่อนให้ดีก่อนเถิดตรงนี้มีพี่กับท่านพ่ออยู่เย่เย่รู้สึกตื้นตันใจมากหลิงเซิน เ, เองก็ส่งสายตาหงอยใหญ่มาให้ หลายวันที่ผ่านมาเขารู้ว่านางป่วยตลอดพยายามมาขอพบแต่ก็ถูกปฏิเสธเสมอไม่นึกเลยว่าจะได้พบกันอีกครั้งในสถานการณ์เช่นนี้เขาอยากจะถามนางว่าร่างกายเป็นอย่างไรบ้างแต่ติดที่สิ้นอ๋องและหวังเฟย์อยู่ด้วยจึงได้แต่กลืนคําพูดที่มาถึงลํำคอกลับลงไปทว่าสิ้นอ๋องกลับไม่ยอมจบนางจะไปไม่ได้ชิงจือต้องกลายเป็นแบบนี้ก็เพราะนาง หลานสาวที่รักของเปินหวังหน้าตาก็เสียโฉมแถมยังถูกบีบเพ้กินยาพิษขอขามานางจะเดินจากไปเฉยๆแบบนี้ได้อย่างไรเย่ออูเสียโกรธจัดเรื่องนี้เกี่ยวอะไรกับเยาเยาของข้าหลานสาวของท่านหน้าก็นางตบเองพิกก็นางกินเองท่านอองช่างไร้เหตุผลสิ้นดีเรื่องแค่นี้ยังจะโยนความผิดมาให้เยาเยาของข้าได้อีกหรือหวังเฟยเองก็ไม่ยอมลดละ หากไม่ใช่เพราะลูกสาวท่านบีบคั้นจนเกินไปและเหล่ากัวกงไปทูลฟ้องต่อราชสำนักชิงจือจะคิดสั้นขนาดนี้ได้อย่างไรอย่างที่ท่านแม่ทับกล่าวชิงจือรู้สํานึกผิดและยอมรับโทษแล้วถึงขั้นตบหน้าตัวเองจนเป็นเช่นนี้แต่เหล่ากัวกงก็ยังไปทูลฟ้องต่อราชสำนักส่วนลูกสาวท่านก็ยังพูดจาถากถางชิงจืออีกชิงจือรู้สึกผิดอย่างถึงที่สุดเพื่อไม่ให้ท่าน อ, องถูกเหล่าขุนนางตรวจสอบตำหนินางจึงต้องมาถึงจวนเพื่อกินยาพิษขอขามา เรื่องทั้งหมดนี้จะบอกว่าไม่เกี่ยวข้องกับคนในจวนกัวกงเลยจริงๆหรือเย่หัวก้าออกมาหวังเฟยโปรดอย่าลืมต้นเหตุของเรื่องทั้งหมดมาจากการที่คุณหนูชิงจือของท่านส่งอาหารยาที่มีพิษมาให้ที่สะพยเสริมฮูหยินเท่าของจวนเราเกิดจะสิ้นใจเพราะคุณหนูชิงจือของพวกท่านถึงสองครั้งท่านอ๋องละหว่างเฟยแน่ใจหรือว่าจะลีเบี้ยเรื่องนี้ให้ถึงที่สุดหากเป็นเช่นนั้นพวกเราทั้งสองตระกูลก็ไปอธิบายเรื่องนี้ต่อหน้าสาบาดให้ละเอียดให้สาบาททรงเป็นผู้ตัดสินความยุติธรรมเถิด สิ้นอ๋องและหวังเฟยสิ่งที่เซี่ยชิงจือทาในวันนี้ล้วนเป็นความสมัครใจของนางเองไม่มีใครบังคับหากเรื่องไปถึงหูฝ่าบาทพวกเขาก็คงไม่ได้ประโยชน์อะไรนักเที่ยงแต่ตอนนี้ผูดจะโอโ้อวโดไปเสียเยอะแล้วทั้งสองสามีภรรยาจึงรู้สึกเสียหน้าจนหาทางลงไม่ได้ลินเซินจึงเอ่ยปากไกล่เกลี่ยฝ่าบาดทรงมีพระราชกิจรัดตัวเรื่องเหล่านี้พวกเราควรปรึกษาหารือกันเป็นการส่วนตัวจะดีกว่าหวังเฟยปาดน้ําตาและชิงจือของเราต้องจัดตัวฟรีๆอย่างนั้นหรือ พี่สไยกล่าวนางเป็นคนกินอาหารยาที่มีพิกเข้าไปเองแต่ในเมื่อนางมาทำที่หน้าประตูจนกัวกงพวกเราก็ได้พยายามช่วยชีวิตอย่างเต็มที่แล้วตอนนี้นางพ้นขีดอันตรายแล้วท่านหมอหลี่ก็สั่งยาไว้ให้แล้วนางเพียงแค่ต้องการการพักผ่อนอย่างสงบสักสองสามวันเท่านั้นหวังเฟยยังต้องการสิ่งใดอีกหวังเฟยเริ่มโมโหโจนทาอะไรไม่ถูกพวกเจ้า เย่เยอรู้สึกปวดหัวกับความวุ่นวายนี้ใบหน้าเล็กๆของนางซีเผื่อจนตัวสั่นคลอนเกือบจะยืนไม่อยู่ลิงเซอร์แอบยื่นมือมาประคองนางไว้จากด้านหลังเมื่อเห็นสีหน้าที่ซีขาวของนางเขาก็ขมวดคิ้วด้วยความกังวลเย่หัวสังเกตเห็นจึงปัดมือเขาออกทันทีแล้วดึงเย่เยอร์มาไว้ข้างกายพร้อมกับถลึงตาใส่เข้าไปทีหนึ่งเยาเย่าเจ้าเป็นอย่างไรบ้างพ่อเขาเ อ, อ่ยขึ้นคนตระกูลเย่ทุกคนก็กรูกเข้ามาล้อมรอบนางพี่สะพ้ยกล่าว เ ย, ยาเยาพิ่งหายป่วยหนักจะตรากตรำใช้ความคิดมากไม่ได้นะเยีอ่ออูเสียยิ่งทำหน้าดุรีบปรับไปพักผ่อนเสียให้ท่านหมอหลีตรวจดูอาการอีกรอบสิ้นอองและหวังเฟยไม่ได้ขัดขวางอีกเยี่เอาเองก็ไม่ปฏิเสธเช่นนั้นทุกอย่างฝากท่านพ่อกับพี่ชายด้วยนะเจ้ากะพูดจบนางก็จ้องขเขม็งไปที่หลิงเซินแล้วทำหน้าเย็นชาใส่ทันทีท่านตามข้ามาหลิงเซินชะงักไปได้วยความตกตะลึงแต่ที่มุมปากกลับแอบยกยิ้มอย่างดีใจจนแทบเก็บไม่อยู่ นางเป็นฝ่ายชวนเขาไปอยู่ด้วยกันตามลำพังคนตระกูลเยี่ยหันมามองหน้ากันแต่ก็ไม่ได้ห้ามส่วนสิ้นอองและหวังเฟยยิ่งไม่กังวลว่าเยี่ยเาจะทำอะไรหลินเซินได้